สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทยพิพิบาลนะครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของบทสุดบทสุดท้ายของพระธรรมสุภาษิตบทที่31นะครับตั้งแต่ข้อที่10จนถึงข้อที่31จํานวน22ข้อด้วยกันก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของบทสุดท้ายของพระคัมภี์สุภาษิตแล้วครับในเช้าวันนี้เราจะมาพิจารณาดู3ข้อแรก ช่วงสุดท้ายของสุภาษิตนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของภรรยาที่ดีเป็นคำสรรเสริญภรรยาที่สามีและลูกของพวกคนยิวในครอบครัวคนยิวตามธรรมเนียมเขาจะต้องท่องบทกวีนี้ที่โต๊ะสบาโตในตอนเย็นวันศุกร์ครับมันหมายความว่าสามีและลูกนั้นก็จะสรรเสริญสามีจะสรรเสริญภรรยาและลูกก็จะสรรเสริญคุณแม่ ตามธรรมเนียมของคนยิวพี่น้องครับในวันศุกร์ตอนเย็นซึ่งเป็นวันสบาโตก็เ <คา S 1> รียกว่โาโต๊ะสปาโตหรือมื้อสบาโตนั่นเองและพี่น้องครับเราจะเห็นชัดเจนว่าในธรรมเนียมของคนยิวนะครับในสังคมครอบครัวของคนยิวนั้นเขาไม่ได้กดขี่ข่มเหงผู้หญิงครับไม่ได้กดขี่ข่มเหงภรรยาแต่เขายกย่องภรรยาในทุกๆสัปดาห์ก็จะมีการท่องบทกวีนี้เพื่อที่จะ ในแง่หนึ่งนั้นก็เป็นการยกย่องสารเสริญภรรยานะครับคำว่าสารเสริญภรรยานั้นไม่ได้หมายความว่ามากราบไหว้นมัสการนะครับแต่ว่าเป็นการยกย่องชมเชยในขณะเดียวกันครับก็เป็นการที่ให้ภรรยานั้นได้มีโอกาสไขครวนตัวเองได้มีโอกาสาตรวจสอบตัวเองกับมาตรฐานที่เรียกว่า Benchmark มาตรฐานความเป็นภรรยาที่ดีมาตรฐานความเป็นกุญแม่ที่ดีของลูก พระนเชาวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นที่3ข้อก่อนครับในข้อ10 11และ12โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าใครจะพบภรรยาที่ดีเธอประเสริฐยิ่งกว่าทัพทิมมากนักจิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอและสามีจะไม่ขาดกำไรเธอทำความดีให้เขาไม่ทำความร้ายตลอดชีวิตของเธอเราพบว่าในพระคัมภีร์นั้น โซโลมอนโดยเพราะอย่างยิ่งในพระธรรมสุภาษิตกล่าวถึงผู้หญิงที่ไม่ฉลาดหลายครั้งทีเดียวโซโลมอนได้ทำให้ปัญญาและความโง่เขาเป็นบุคคลเช่นผู้หญิงในตอนต้นเราจะพบในบทที่8และบทที่9นะครับบางทีพระเจ้าจะให้เพิ่มพีตอนนี้กับเราในการที่จะอ่านจบพระธรรมเล่มนี้ด้วยการที่แน่ใจว่าความจริงแล้วผู้หญิงนั้นไม่ใช่เป็นเพศที่โง่เขลา ไม่ใช่เป็นเพศที่ต่าต่ำกว่าผู้ชายหรือไม่ใช่เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายไม่ใช่ครับแต่แท้จริงแล้วโซลโมนกาลังรวบรวมสติปัญญาและรวบรวมบทกวีสุภาษิตเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าผู้หญิงนั้นก็สามารถที่จะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่น่ายกย่องได้เทียบเท่ากับผู้ชายไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียว พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นหลักฐานที่ทําให้เราทั้งไหนแน่ใจครับว่าผู้หญิงนะครับกับผู้ชายนั้นอยู่ในฐานะทางสังคมบางทีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะต่ำกว่าเพราะเหมือนกับว่าผู้หญิงนั้นต้องฟังผู้ชายต้องให้ผู้ชายเป็นผู้ทาแต่ในสถานภาพในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วความเป็นคนของผู้หญิงกับผู้ชายนั้นเท่าเทียมกันครับ ผู้หญิงไม่ได้ต่ํากว่าผู้ชายในแง่ของความเป็นคนเลยในความเป็นมนุษย์ในความเป็นลูกของพระเจ้าเราทั้งหลายเท่ากันเท่าเทียมกันพี่น้องครับแต่ว่าบทบาทและหน้าที่นั้นต่างกันที่นี่บอกว่าใครจะพบภรรยาที่ดีพระคัมภีร์เน้นว่าผู้ชายจะต้องหาภรรยาที่ดีนั่นหมายความว่าภรรยาที่ดีนั้นไม่ใช่เป็นฝ่ายหาผู้ชายก่อนเพราะฉะนั้น นี่คือความหมายของพักกัมพีครับคนมักจะถามว่าโอ้ถ้าเป็นภรรยาที่ดีจะต้องมีครบทั้ง22ข้อหนูเป็นไม่ได้ค่ะพี่น้องครับหญิงที่ถูกกล่าวถึงในพระกัมพีตอนนี้ไม่ใช่เป็นบุคคลเดียวในประวัติศาสตร์นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเป็นมาตรฐานภรรยาที่ดีเลิศที่ปรากฏอยู่ในข้อที่10ครับใครจะพบภรรยาที่ดีเลิศดีเลิศหมายความว่าภรรยาที่ประเสริฐ เธอประเสริญยิ่งกว่าทัพถิมมากนะักในภาษาฮีบรูนะครับคำว่าดีเรียกว่าคายูนะครับภรรยาที่ดีก็คือเป็นผู้ที่ดีเลิศรุษถูกเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ดีเลิศลักษณะที่ดีเลิศนั่นคืออะไรครับลักษณะที่ดีเลิศภาษาฮีบรูนั้นแปลว่ามีสมรรถภาพหรือมีความสามารถสูงมีความหมายว่า ส, สูงสูงส่งมีความหมายว่ามีคุณงามความดีและดีจริงๆคําว่าดีเลิศนั้นก็แสดงถึงพละงกาลังสมรรถภาพคําว่าดีเลิศนั้นแสดงถึงความร่ํารวยทาง ท, างทรัพย์สมบัติที่เกิดจากสติปัญญาความสามารถของตนคําว่าดีเลิศนั้นมีความหมายรวมกว้างถึงคําว่ากล้าหาญความกล้าหาญและความน่าเชื่อถือ พี่น้องครับในข้อที่สิบนี้เราจะเห็นว่าภรรยาที่ดีนะครับหาได้ไม่ง่ายครับแต่เมื่อหาพบแล้วเธอก็มีค่าซึ่งจะประเมินไม่ได้เลยพี่น้องครับผมขออนุ ญ, ญาตพูดกับสตรีนะครับที่เป็นภรรยาภรรยาที่ดีหาได้ไม่ง่ายแต่เมื่อพบแล้วท่านก็มีค่าซึ่งจะประเมินไม่ได้ มีค่าจริงๆครับเธอจะไม่นําสามีไปสู่ความหายนะโดยการใช้จ่ายมากเกินไปอันนี้อยู่ในข้อที่1 1็ข้อขอครับสามีจะไม่ขาดกาไรเห็นไหมครับจะไม่ใช้จ่ายมากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นเธอจะไม่ชอบโตเถียงด้วยในข้อที่12ครับเธอทำความดีให้เขาไม่ทำความร้ายตลอดชีวิตของเธอ พี่น้องครับผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่นักพิชาการที่เขียนไม่ธรรำรานั้นพูดชัดเจนขอพระเจ้าช่วยสุภาพสตรีภรรยาทุกท่านนะครับที่เราจะไม่ทำให้สามียากจนลงโดยการใช้จ่ายมากเกินไปสามีจะขาดกำไรนะครับยิ่งไปกว่านั้นเราจะต้องไม่เป็นผู้หญิงที่ขี้ทะเลาะขี้ทะเลาะบอแวงนะครับคือชอบโต้ชอบเถียงเพราะว่าใน สุภาษิตบทที่27่สข้อสิได้บอกว่าฝนย้อยแปะแปะไม่หยุดในฤดูฝนชันใดผู้หญิงที่ขี้ทะเลาะก็เหมือนกันฉันนั้นที่จะยับยั้งเธอก็เหมือนยับยั้งลมหรือกรอบน้ํามันด้วยมือขวาพี่น้องครับหากสนใจเรื่องนี้กลับไปฟังนะครับในสุภาษิตบทที่27่สิบข้อสิบหาหกากเป็นดังนั้นแล้วท่านจะเป็นภรรยาที่ เป็นทรัพสมบัติที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งต่างในโลกนี้ของสามีของท่านบุคคลที่พบภรรยาเช่นนี้เขาจะต้องทะนุถนอมภรรยาของเขาเขาจะต้องรักษาไว้อย่างดีเพราะว่ามีความประเสริฐมีคนที่ประเสริฐประเสริฐอยู่ในครอบครัวของเขาคำถามในข้อสิก็คือว่าใครจะหาพบใครจะหาพบภรรยา เช่นนี้พี่น้องครับไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเช่นนี้ไม่มีอยู่จริงมีครับและผู้หญิงเช่นนี้ควรจะได้รับการยกย่องเพราะเขาคู่ควรกับผู้ชายที่ดีพี่น้องครับเราจะรู้ว่าพวกเธอหาได้ยากจริงๆเพราะนั้นเธอจึงมีค่ายิ่งกว่าทับทิมมากกว่าเนนจินดาทั้งหลายพี่น้องครับอยากจะบอกกับคุณสามีว่าภรรยานั้น เป็นของที่หายากครับเราจะต้องทะลุถนอมไว้ในขณะเดียวกันครับเราจะต้องขอพระเจ้าช่วยให้เธอเป็นผู้ที่ประเสริฐประเสริฐ จ, จริงๆและเมื่อเธอประเสริฐเช่นนี้ก็จะทําให้สามีของเธอนั้นวางใจคําว่าวางใจนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ไว้ใจนะครับแต่ความว่าวางใจนั้นมีความหมายว่าเชื่อมั่นในตัวเธอความเชื่อมั่นของสามีก็สมบูรณ์ พี่น้องครับอะไรที่ทําให้ชีวิตของสามีเกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความรู้สึกพึงพอใจสูงสุดนั่นก็คือภรรยาของสามีคนนั้นนั่นเองสามีจะไม่ขาดกําไรนั้นมีความหมายว่าเธอจะไม่สร้างความขาดทุนแต่ในทางกลับกันครับเธอจะสร้างกําไรในขณะเดียวกันครับการที่สามีได้ภรรยาที่ดี ก็เหมือนกับได้ทุกสิ่งทุกอย่างและภรรยานั้นจะทำให้สามีและชีวิตของสามีดีขึ้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะทำให้ครอบครัวของเธอก็ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับการจัดการบ้านเรือนของเธออย่างรอบครอบก็ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในครอบครัวของเธอส่งเสริมให้เกิดความมั่งคั่งในทรัพสมบัติเขาไม่ขาดกาไร ในแง่ของทรัพย์สินในบ้านในแง่ของเงินทองในแง่ของผลประโยชน์อันจะเติบโตและตกอยู่กับครอบครัวในที่สุดครับเธอจะรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวไว้อย่างพิถีพิถันและเพิ่มพูนสิ่งเหล่านั้นโดยการจัดการที่ใช้ความอุตสาหะบริยะในความสุ ข, ขุมในความเฉลียวฉลาดของเธอเพื่อที่ครอบครัวงเธอนั้นจะไม่ขาดกําไร พี่น้องครับในข้อ12นะครับขอย้ำเน้นนะครับว่าผู้หญิงแบบนี้ครับหรือภรรยาแบบเนี้ยซึ่งเป็นภรรยาที่ดีนั้นนะครับเธอเป็นเสมือนสมบัติที่ล้ำค่าเธอทำความดีให้กับสามีเธอไม่ทำความร้ายตลอดชีวิตของเธอนั่นหมายความว่าเธอไม่สร้างความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวของเธอครับเธอไม่ควาเธอไม่นำความเสื่อมเสียมายัางสามีมีแต่ความดีครับที่เธอนามาถึงเขา เธอสนับสนุนและส่งเสริมสามีเธอสัตซ์ซื่อในการช่วยเหลือเขาตลอดชีวิตของเธอดังนั้นเองภรรยาที่ดีเปรียบเสมือนกับอัญญมณีในครอบครัวครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องสุภาพสตรีทุกท่านคุณผู้หญิงทุกท่านครับทั้งที่แต่งงานและยังไม่แต่งงานทุกท่านมีครอบครัวเป็นของตัวเองใช่ไหมครับก็ขอให้ท่านเป็นมณีของครอบครัวเป็นอั ญ, ญมณีที่สูงค่าของครอบครัว ตลอดไปอาเมน